ศีลมีในบุคคลใดปัญญาก็มีในบุคคลนั้นปัญญามีในบุคคลใดศีลก็มีในบุคคลนั้นปัญญาเป็นของบุคคลผู้มีศีลศีลเป็นของบุคคลผู้มีปัญญาและนักปราชญ์ย่อมกล่าวศีลกับปัญญาว่าเป็นยอดในโลกเหมือนบุคคลล้างมือด้วยมือหรือล้างเท้าด้วยเท้าฉะนั้นจากโสนทันทสู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 เมื่อเขาได้คำตอบแล้วรับเอาเป็นข้อปฏิบัติจนชั่วชีวิตเมื่อกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกในภายหลังเขาจะเป็นคนมีปัญญามากจากจุลกรรมมวิพังคสูตรมีธรรมอยู่ข้อหนึ่งที่ใครก็ตามทำให้เจริญขึ้นในตนเป็นอันมากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อได้ปัญญาปัญญาเจริญปัญญาไพบูร์ปัญญาใหญ่ปัญญามาก ปัญญาลึกซึง้งปัญญาแก่กล้าปัญญากว้างขวางปัญญาว่องไวปัญญาเร็วปัญญาร่าเริงปัญญาแล่นปัญญาคมปัญญาชำแรกกิเลสําข้อ น, นั้นคืออะไรคือกายคตาสติคือการเอากายนี้เป็นที่ตั้งของการเจริญสติจากระสาทกรธรรมมาธิบาลี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 ผู้เขย่าโลกด้วยทรษฎีอันเป็นต้นกำเนิดระเบิดปรมาณูบอกเราว่าความฉลาดไม่ใช่แค่แก้ปัญหาเก่งแต่ยังต้องเป็นสุดยอดนักตั้งคำถามถามแล้วเกิดมุมมองใหม่หรือถามแล้วจุดชนวนให้เกิดความอยากรู้อยากเห็นอยากศึกษาเข้าไปถึงแก่นความจริงบุคคลอันเป็นสั ญ, ญลักษณ์ของการเรียนรู้เร็วเช่นวิลเลียมเจมส์ไซดิส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 ที่ถือเอาความปราดเปรื่องในการสร้างผลงานมาเป็นเกณฑ์เช่นหากมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ก่อนอายุ17ก็ถือว่าเป็นอัจฉริยะรับประกันความมีไอคิวสูงกว่าคนปกติเพราะคนปกติจะไม่มีผลงานเป็นที่ยอมรับก่อนอายุ17เป็นตน้นผลงานของคนฉลาดก็อาจจุดประกายให้จุก ค, คิดว่าคนเราควรมีความฉลาดสูงสุดเอาไว้ทาอะไรกันแน่ เพื่อให้รู้ว่าเป็นอัจฉริยะเหนือคนอื่นก่อนอายุ17หรือเพื่อให้รู้ว่ามนุษย์อาจเก่งได้ไม่จํากัดเช่นที่ไซดิสสัมเดงความสามารถเอาไว้หรือเพื่อเปิดโปงความลับอันยิ่งใหญ่ของจักรวาลด้วยคณิตศาสตร์เช่นที่ไอน์สไตน์เพียรพยายามสุดฤทิตยิ่งศึกษาชีวิตของอัจฉริยะในประวัติศาสตร์มากขึ้นเท่าไหร่คุณจะยิ่งเห็นความจริงว่า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 ทั้งที่รู้แก่ใจว่าอย่างไรก็ไม่ได้คืนทางเดียวที่คุณจะรับมือกับเงินหายห้าร้อยบาทคือต้องเคยทำบุญห้าร้อยบาทมาก่อนความฉลาดระดับห้าร้อยจึงจะเกิดขึ้นและปล่อยวางเงินที่หายไปห้าร้อยเสียได้ 2. อภัยทานเมื่อรู้จักอภัยในความผิดพลาดของคนอื่นกระทั่งเป็นคนโกรธได้ แต่หายเร็วคุณจะเกิดความฉลาดทางจิตเห็นความเย็นดีกว่าความร้อนเห็นการนอนหลับสนิทหรือฝันดีประเสริฐกว่าการนอนดิ้นไปกับฝันร้ายหากปราศจากความฉลาดทางจิตแบบนี้แล้วคุณจะมัวคิดถึงแต่คาว่าตาต่อตาฟันต่อฟันฆ่าได้อย่าไม่ได้ฝ่ายคุณเอาเปรียบได้แต่ไม่มีทางเสียเปรียบใคร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 ในแง่ของความตรณีและในแง่ของความพยาบาทคุณเองย่อมฉลาดขึ้นไปอีกแต่หากคุณคิดอยากใหญ่สั่งสอนคนอื่นด้วยอาการยกตนข่มท่านจารไนเรื่องทานราวกับผู้มีทานบารมีทั้งที่ยังตรณีเงินทองหรือยังผูกพยาบาทอาคาดเก่งอย่างนี้นอกจากไม่ทำให้ฉลาดขึ้นยังกดตัวเองให้โง่หนักเข้าไปอีก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 ด้วยศิละปะแห่งการตัดตรงเข้าสู่ตัวปัญหาทางใจตรงไหนเป็นปมทุกตรงไหนเป็นวิธีแก้ปมทุกการเห็นวิธีแก้ทุกให้คนอื่นแต่กลับไม่เห็นวิธีแก้ทุกให้ตนเองเป็นหลักฐานอย่างหนึ่งที่จะแสดงให้คุณเองรู้และฉลาดขึ้นได้ว่าทาที่ให้คนอื่นเป็นฐานนั้นใช่ของที่มีในตนจริงหรือสักแต่เป็นลักขโมยคาของผู้มีธรรมจริงมาพูดกันแน่ พระพุทธเจ้าตรัสว่าให้อะไรได้อย่างนั้นไม่ใช่ให้จานได้จานคืนให้ตัวเย็นเขาแล้วเราจะได้ตัวเย็นใหม่จากคนอื่นแต่เป็นภาวะที่เสมอกันเช่นให้สุขย่อมได้สุขให้ความฉลาดย่อมได้ความฉลาดให้ธรรมะย่อมเพิ่มพูนธรรมะแต่ถ้าให้แต่ลมปากก็จะได้แค่ลมแล้งกลับคืนมานั่นเอง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 เมื่อจะต้องตัดสินใจครั้งสำคัญดันไม่มีสมาธิจูจูก็หนักหัวขึ้นมาเฉยเฉยหรือช่วงต้นวัยพอใกล้สอบไม่อยากอ่านหนังสือถึงเวลาสอบจริงยิ่งรู้สึกเหมือนคนไม่มีแรงว่ายน้ำไปให้ถึงฝั่งราวกับมีอะไรมาดึงแขนดึงขาไว้เหล่านั้นเป็นตัวอย่างของคลื่นรบกวนความฉลาดซึ่งมีอยู่หลายแบบ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 เคยลักลอบเป็นชู้ไว้มากคือมากจนหน้ามืดตามัวหมกมุ่นและเมากามอย่างหนักวิบากคือทําไม่อ่อนแอไม่อยากเรียนไม่อยากคิดมากเพราะจิตใจบิดเบี้ยวคอยแต่มองอะไรในทางลามกคนเราเพอจิตใจบิดเบี้ยวคอยแต่คิดออกนอกลูก่นอกทางไปหาเรื่องต่ำๆเหม็นๆก็มีผลปัญญาทึบหมกมุ่นครับแคบ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 ส่วนใหญ่พอได้ความรู้อะไรนิดหนึ่งก็อาจทะเลนคิดแบบไร้สาระไม่ยอมรับสาระเห็นจริงเป็นเท็จเห็นเท็จเป็นจริงตามอำเภอใจเอาง่ายๆต้องออกแรงอย่างมากกว่าจะรับรู้ตรงจริงกับคนอื่นได้สักครั้ง 5. เคยเมาเหล้าขาดสติไวมากนอกจากจะได้ชื่อว่าเป็นขี้เมาในชาติที่ก่อกรรมข้อนี้แล้ววิบากในชาติถัดมา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 จะรู้สึกหนักๆทึบๆขึ้นมาในหัวเหมือนมีม่านหนักๆโรยมาบดบังปัญญาสิ่งสั่งสมมากยิ่งชัดมากและนั่นก็คือตัวอย่างว่าจะต้องเจอแบบนั้นหรือหนักกว่านั้นกับทั้งยืดเยื้อกว่านั้นในชาติต่อไปตรงข้ามหากตั้งใจเด็ดเดีย่ยวแน่วแน่ว่าจะถือศีลให้สะอาดแถมทำในเรื่องตรงข้ามเช่นนอกจากงดเว้นการฆ่าสัตว์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 กล่าวคือคุณจะมีวิธีคิดแบบเลือกเฟ้นจับประเด็นแม่นและเข้าหาเป้าหมายด้วยทางลัดหรือเล็งเห็นประโยชน์สูงสุดได้เร็วกว่าคนอื่นเมื่อใจอยู่ในอาการเฟ้นหาคำถามที่ดีที่สุด<ม>เกิดใหม่ก็ย่อมได้คุณลักษณะประการสำคัญของเด็กฉลาดนั่นคือช่างสงสัยชอบไถ่าถามใจไม่แคบไม่ปิดกัน้น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 นอกจากเป็นผู้ทำกรรมอันควรแก่การมีปัญญาสูงส่งแล้วยังต้องเป็นผู้เคยทำคุณในวงการใดวงการหนึ่งไว้มากด้วยจึงเหนี่ยวนำให้เด็กเกิดความสนใจเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างยิ่งยวดและเป็นเหตุให้ภาคเพียนแบบทุ่มสุดตัวกับการเอาดีในเรื่องนั้นๆขอยกตัวอย่างอัจฉริยะทางดนตรีที่ผู้คนยังจดจำและกล่าวขวัญถึงอยู่เสมอ แม้ว่าตัวเขาจะล่วงลับจากโลกนี้ไปกว่าสองศตวรรษแล้วก็ตามคือวอลฟ์กังอมาเดอุสโมซากรรมเก่าที่เคยมีคุณูปการต่อแวดวงการดนตรีได้ส่งให้เขามาเกิดในบ้านที่จะได้รับแรงบันดาลใจอย่างสูงทั้งเห็นพ่อเล่นฮาร์ปสิคอร์ดทั้งเห็นพี่สาวเล่นคลาเวียได้เก่งและทั้งมีความสามารถจดจำเสียงดนตรีได้แม่นยา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 ตะลึงฟังตาค้างได้ขณะที่อายุเพิ่งหกขวบเท่านั้นโมซา์มีคุณูปการต่อโลกดนตรีเพียงใดทุกคนเห็นชัดเขาสร้างดนตรีที่โลกไม่ลืมและนักประวัติศาสตร์ทางดนตรีหลายคนก็เชื่อว่าโมซา์เป็นคนสอนวิธีประพันธ์ดนตรีให้กับเบโธเฟนผู้เป็นขีตกวีชื่อก้องโลกอีกคนหนึ่งนับว่าครบอง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 ทุกคนต้องยิ่งใหญ่ในโลกหมากรุกและเขาก็ทำได้จริงๆเริ่มจากการให้ลูกเรียนหนังสือที่บ้านกระตุ้นให้เกิดความสนใจในเกมหมากรุกผลคือลูกสาวทั้งสามคนเล่นหมากรุกระดับโลกกันหมดโดยเฉพาะอย่างยิ่งจูดิตโพกาผู้เป็นน้องคนสุดทองนั้นเล่นได้ถึงระดับแกลนมาสเตอร์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 ทันทีที่คุณพ่อตั้งใจว่าจะสร้างสภาพแวดล้อมขึ้นมากกระตุ้นความสนใจของลูกเขาก็ทำตัวเป็นแดนเกิดอันเหมาะสมสำหรับเด็กที่มีบุญเก่าทางหมาร ก, กแล้วที่ควรกล่าวเช่นนี้ต้องย้อนกลับไปที่ความจริงอันเป็นประถมนั่นคือมนุษย์ไม่ได้เกิดขึ้น้ดยความบังเอิญมนุษย์ไม่จะเพียงน้ำเชื้อจากพ่อแม่ผสมกันแต่ต้องมีจิตวิ ญ, ญญาณมาเข้าท้องด้วย ดังนั้นจุดสรุปจึงเป็นว่าต้องมีทั้งบุญเก่าเป็นผ่อนสวรรค์และได้แดนเกิดอันเอื้อให้สร้างผอง่อนแสวงอัจฉริยะจึงปรากฏถ้าใครอยากฉลาดขึ้นผิดหูผิดตาภายในชาติเดียวพระพุทธเจ้าก็ทรงให้คำตอบไว้นั่นคือต้องทำให้สติเจริญขึ้นโดยอาศัยกายเป็นที่ตั้งของสติ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 ของหนังสือเล่มนี้ถ้าทำเต็มที่ก็อาจพิสูจน์ว่าคนเราฉลาดแหลมคมขึ้นอย่างเอกอุในชาติเดียวได้หรือไม่